พร้อมทำเสียงเฮ่เฮฮสักพักก็มีเสียงวิ่งบนหลังคาแล้วเสียงนั้นก็ตกลงมาข้างล่างตุบสามเณรทุกรูปเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็มีเงาดำรูปร่างใหญ่สายตาแดงก่ําจ้องมองไปที่เนนคนนั้นตาเขม่งก่อนที่จะวิ่งหายเข้าไปในป่าข้างคลองเมื่อผมได้ฟังสิ่งที่เนเนเล่า